สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎข้อที่16กฎแห่งการได้รับอนุญาตในเรื่องการตอบคำอธิษฐานของพวกเราพี่น้องครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าตอบพระเจ้าไม่ตอบสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราต้องเข้าใจ เมื่อเเข้าใจหลักการในงการอธิษฐานและกฎของการได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นเราก็จะสามารถเข้าใจได้เมื่อเรเข้าใจได้เราก็จะมีความไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ยังจะสามารถคงไว้ซึ่งการรักษาความเชื่อความศรัทธาของเราต่อไปได้พี่น้องครับผมขออนุญาตย้อนเพื่อที่จะให้หลายๆท่านที่ไม่ได้ฟังเป็นประจำนะครับและวันนี้อาจจะได้รับฟัง เป็นครั้งแรกบ้างหรือกลับมาฟังอีกบ้างจะได้เข้าใจนะครับเวลาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราใช้คำว่าพระเจ้าอนุญาตนะครับเมื่อพระเจ้าอนุญาตในหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตในรูปแบบว่าหรือตอบคำอธิษฐานในรูปแบบว่า no คือไม่อนุญาตและการไม่อนุญาตของพระเจ้านั้นก็ทำให้เราได้รับพระพรผมก็ยกตัวอย่างนะครับจากหนังสือ ของท่านศาสตราจารย์ eng, ดรฟลิปเทงกฎทองคำยี่ข้อนะครับท่านได้กล่าวตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าประสบการณ์ของเปาโลก็คือหนามครับอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้พระเจ้าหยิบยกเอาหนามนั้นออกไปแต่ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานการตอบการไม่ตอบคำอธิษฐานนั้นก็เสมือนว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานว่าไม่อนุญาตเมื่อพระเจ้าไม่อนุญาตอาจารย์เปาโลนั้น ได้รับผภาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเห็นว่าหนามใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเห็นพระคุณของพระเจ้าครับความอ่อนแอม่ไดไหนฤทธเดชของเราก็จะมีฤทธอำนาจเต็มขนาดขึ้นที่นั่นฤทธเดชของเราหมายถึงฤทธเดชขององค์พระวิญญาณนะครับและด้วยเห็นนี้เองเราเห็นประสบการณ์ของคนมากมายนอกจากเปาโลแล้วเราก็ยังเห็นประสบการณ์ของพระเยซู ประสบการณ์ของวิลเลียมแคร์รีนะครับและในเช้าวันนี้เราจะมาถึงประสบการณ์ของยาโคบครับเราเห็นได้ว่าเมื่อยาโคบต่อสู้กับทูตของพระเจ้าเขาเขาขอเขาทูลขอให้ทูตของพระเจ้าอวยพรเขาครับและเมื่อทูตของพระเจ้าก่อนจะอวยพรเขาทูตของพระเจ้าได้แตะต้องสะโพกของยาโคบทำให้เส้นเอ็นเคล เดินขยเยก็กซึ่งผมจะอัญเชิญพระชนะของพระเจ้ามาอ่านให้พี่น้องฟังนะครับปฐมการบทที่32ปฐมอาการบทที่32ข้อ2 2ถึงโปรดฟังพระชนะของพระเจ้ากลางคืนนั่นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาพัญญาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามทิท่าลุยข้ามแม่น้ำยับบกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลาธารไป และส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็ถูกต้องที่ข้อต่อสะโพก ข, ของยาโคบขณะที่ปั้มสู้กันข้อต่อสะโพก ข, ของยาโคบก็เคล็ดบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอก จากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโควบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ใช้ชนะยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าเหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปเนีเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์พระเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่เมื่อยาโคบผ่านเปเนเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยโยกขยเกกเพราะเจ็บตะโพกเหตุนี้คนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่ตะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตะโพกพี่น้องครับตะโพกหรือสะโพกนั้นก็คือเป็นบริเวณที่เป็นที่อยู่ของเส้นเอ็นใหญ่ที่เป็นส่วนสำคัญที่ส่งกําลังสู่ร่างกายส่วนบนแต่เมื่อถูกบีบหรือถูกแตะต้องให้เคลรดแล้วก็จะทำให้ ร่างกายของเขานั้นได้ขาดหรือว่าลดประสิทธิภาพการส่งกำลังประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวพี่น้องครับเหตุการณ์ครั้งนี้มีความหมายสำคัญมากสำหรับยาโคบครับถามว่าทำไมถึงมีความหมายสำคัญมากสำหรับยาโคบเพราะเดิมทีนั้นยาโคบนั้นเป็นคนที่ค ด, คดโกงลดเลี้ยวเคี้ยวคดโกงคนอื่นครับในปาถมรการบทที่ย5าข้อยบ เขาใช้กลอุบายนะครับที่จะหยิบจะฉวยชื่อหรือสิทธิบุตรหัวปีของพี่ชายเพราะตัวเขาเองนั้นเป็นน้องชายเป็นน้องฝาแฝดนะครับเมื่อเขาหยิบฉวยบุตรหัวปีสิทธิบุตรหัวปีของพี่ชายหยิบฉวยฝูงแกะที่อ้วนพีของนาชายสิ่งต่างเหล่านี้ครับ แสดงว่ายาโคบนั้นเป็นคนที่ชอบหยิบชอบชวยแต่เมื่อพระเจ้าได้จัดการเขี่ยวเล็บของเขาแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าก็จับมือเขาไว้ครับพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ช่วยเขาไว้เช่นเดียวกันพระคุณของพระเจ้าก็กลับมาถึงชีวิตของยาโคบทันทีครับเมื่อพระคุณของพระเจ้ากลับมาถึงชีวิตของยาโคบทันทีแต่เขาจะต้องเจ็บปวด พระเจ้าตอบคำอธิษฐานว่าโนยังไม่ได้ให้พระพรครับให้เขาเจ็บปวดก่อนครับแล้วหลังจากนั้นพระพรจึงจะมาถึงเขาเริ่มที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าเขาเริ่มที่จะฉวยพระพรของพระเจ้าไว้จากคนที่ชอบใช้กลอุบายหยิบฉวยผลประโยชน์ของคนอื่นนั้นถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ไปแบมือรับพระพรของพระเจ้า หรือใช้คำว่าแบมือแล้วก็ไปหยิบเอาพระพรของพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาก็เติบโตเลื่อนสูงขึ้นไปจนสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมก็ขอขยายบรรยายต่อครับว่าแท้จริงแล้วยาโคบนั้นจะก็จะเป็นเหมือนกับหลายลายคนในหมู่พวกเราพี่น้องครับ เมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าการตอบคบอธิษฐานของพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราพระเจ้าเซโนเมื่อเราอธิษฐานแต่ว่าในที่สุดแล้วชีวิตของเขาเมื่อเขาถอยกลับไปดูเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะพูดเหมือนกับยาโคบครับในบทที่35ของปฐมกาลข้อที่3มให้พวกเราไปเบตเอล ที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาพระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในสถานที่ทุกแห่งที่ข้าไปนั้นชีวิตของยาโคบนั้นก็เห็นว่ามีวันหนึ่งเขาได้ต้องทำแท่นบูชาพระเจ้าตอบเขา เพราะว่าเนื่องจากเขาทําท่านบูชานมันส ก, การสรรเสริญพระเจ้าพอไรครับเพราะว่าเมื่อเขาถอยกลับไปดูในชีวิตของเขาเขาเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาพระเจ้าตอบคํำอธิษฐานว่าโนแต่ในยามยากลำบากนะครับและทรงอยู่กับยาโคบในสถานทุกแห่งที่ท่านไปนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามครับเรา ได้รับคำตอบโนจากพระเจ้าอย่าพึ่งท้อใจท้อถอยละทิ้งพระเจ้าให้เรายอมรับน้าพระทยของพระเจ้าคำตอบของพระองค์แล้วในที่สุดเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าน่ารักโปรง่ทรงท่งตอบครับในวันที่เราทุกข์ใจและที่สำคัญที่สุดก็คือพระองค์อยู่กับเราในสถานที่ทุกแห่งที่เราไป นั่นคือชีวิตของยาโคบซึ่งประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพรองอยู่กับเราทุกที่ที่เราไปพรองทรงอยู่กับเราในทุกๆความทุกยากลำบากอุปสรรคปัญหาต่างๆครับขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพ ร, พ, รพี่น้องทุกท่านอาเมน